ว่ามันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีรอ้อนมันก็มีเย็นมันมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดท่านเห็นแค่นี้อนุมานมีตกไปเห็นแค่นี้ท่านก็ไม่รู้อะไรไมากมายแล้วนี่เป็นความเห็นใชยไหม ท่านพยายามตามความเห็นของท่าน ป, ปฏิบัติตามความเห็นของท่านแต่ว่าความเห็นนี่มันชอบอืมันชอบจริงๆไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่เราศาสยายมรรคแปดประการนี้ฟังนี่จนถึงโน้นจนถึงฌานที่สี มีตกมีจาน ป, ป, ปีติสุเอกร ะ, ะตาที่ท่านสวดที่เราพากันสวดไปนั้นมันจะมาเฉียดสักหน่อยหรือไม่ในใจของเราที่ทามาพระองค์ท่านท่านพยายามไม่ทอดหอยเพราะเห็นมันแน่ใน ใ, นใจเรเกิวนว่ามันมีมืดมันก็ต้องมีสว่าง มีสุขมันก็ต้องมีทุกข์มีร้อนมันถึงมีเย็นแก้มันมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดแก้มันเป็นแน่เท่าเนี้ยไม่มีใครบอกท่านหรอกอ ม, อมันเป็นมิตรสัยมันเป็นปัจจัยมันเป็นบารมีของท่านให้มีความเห็นอย่างนั้นท่านก็ตามไปเรื่อยๆเลยในที่สุดท่านเห็นอย่างนี้เนี้ย ท่านออกมาปฏิบัติอยู่หกปีเลยหกปีไม่เห็นความเจนเหน็ดเหนื่อยเลยท่านพยายามมุ่งมุตรุดเลยพวกเราพรรษาเดียวเท่านั้นหมดแล้วสองเดือนสามเดือนหมดแล้วสามปีสี่ปีหมดแล้วพระพุทธองค์ท่านเป็นมรงมครูเราท่านที่สุดท่าน พยายามอยู่6กปีดูเดิเราเป็นดุสิตท่านอยากจะเดิอนออกหน้าท่านเลยเดือนต้องเดือนซ้ำเดือนปีซ้ำปีอยากจะไปะแล้ว ม, มันคงจะไม่ดีเป็นแน่ไว้พระพุทธเจ้าองค์ท่านะ่ะมันมีร้อนมันก็ต้องมีเย็นเราไม่คิดอย่างนั้น มันมีร้อนมันไม่ต้องมีเย็นนะมึงมีแต่ร้อนเท่านั้นนหะอืมมันคิดไปในใ น, ในอันนี้มันก็ห่างกันออกไปเรื่อยการนั่งสมาธิธรรทำนี่เท่านสอนคณะของจิตเนี่ยวิตกวิจารปีปีสุเอกราตานะบูรเรื่องของจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องเูินฌานนี่ก็คือเรื่องของจิตที่จะขอไปถึงนั่นแ่ะ เรื่องเข้าอยู่เรื่องกิจเข้าอยู่ตามภูมิธรรมตามนามธรรมาภูมิธรรมบางทีนั่งไอความวิตกมันยกขึ้นมาวิตกถึงโน้นถึงนี้อย่างนี้เมื่อวิตกถึงนั่นเนีย่ยก็พิจารณาเรื่องวิตกกันนั่นมันก็เป็นวิจารไปเนี่ยซึ่งเป็นส่วนกุศลธรรม น, นั่นนี่มีวิตกวิจาร ปีตีสุกเอกะกะตาปทุมชาญมันมีองค์ห้ามีตกก็มีวิจารก็มีปีตีก็มีสุกก็มีเอกะกะตาก็มีรวมทั้งหมดเลยไม่รู้ว่ามันเป็นไง ม, มันรวมหลายอย่างรวมตรงนั่นนะ ม, มันรวมตรงนั้น จิตมันอยาบพูดง่ายๆนั่งสมาธิมันเกิดวิตกวิตกถึงอโนนอันนี้หรือวิจารพิจารณาเรื่องเร้ ว, วิตกไปถึงนั้นไอ้ส่วนนี้เป็นจิตธรรมดาของเราแต่นั่งต่อพิจารณาไปอีกวิตกมันหายไป วิจารมันก็หายไปหายไปจากใจของเรานีเนี่ยปีติพุ่งขึ้นมาเลยความอิ่มใจเนี่ยปีติขึ้นมาทำไมมันหายไปตรงไหนเนี่วิตกมันเป็นของหยาบแต่แล้ววิจารมันก็เป็นของหยาบไปแะแล้วปีติมันละเอียดเขานน่นกับปีติพุ่งขึ้นมา ปีตกวิจานปีติพุ่งขึ้นมานะทำไมมันเป็เงินหายไปไหนล่ะปีตกวิจาณ์หายไปไหนอืก็เพราะว่าปีติมันเกิดขึ้นมาแล้วอีตกวิจารณ์มันเป็นของหยากก็เหมือนกันกับแสงสว่างแล้วนี่เนะี่ยเมื่อแสงสว่างพึ่ขึ้นมาแล้วมืดไปไหนกัน่ะ เราจะเห็นง่ายๆอย่างนี้เมื่อไปไหนกันนี่เราดูนี้ก็ได้ดูกันง่ายๆไม่ต้องไปดูไปอย่างอื่นหรอกปัตถมชฌานครั้งแรกถ้าเป็นสมาธิถึงปัตถมัชฌานมันมีวิตกวิจาปรปีติสุขเอกะกะตาห้าอย่างท่านเรียกว่าปาัตถมัชฌานมันมีองค์ห้า เมื่อจิตสงบในเวลานั้นมีสิ่งห้าสิ่งมีรวมอยู่ในนั้นในดวงจิตนั่นอมันมีห้าสิ่งแต่กำหนดไปอยู่ในห้าสิ่งนั่นเนี่ยมันอินพูดไม่ถูกอันเนี้ยแต่เมื่อจิตสงบไปเรื่อยๆมันละเอียดไปละเอียดไปใช่มนี่ตกหายไปวิจารณห้าไปไม่มี ปีติคือความอิ่มเกิดขึ้นมาเนี่ยน้ำตามันจะไหลออกแะไนีสารพัดอย่างก็เหมือนเราอยู่ปกตินี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเหมือนอยู่คนละโลกเหมืนอยู่คนละโลกเหมือนอยู่คนละโล ก, ออลโลกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ในดวงจิตของเราที่เราทำมันสะอาดขึ้น เรากพุะกันแสวงหาอันนี่เนะี่ยแต่ว่าจริงทั้งหลายแล้วนี้มันจะเกิดได้เพราะอะไรเพราะจัตตาของเราเพราะเราทำด้วยความจริงใจของเรา จ, จริงไ ม, ม, ม่มีหน้ามีหนังใช่อนะืมอย่างเราเดินมากทั้งแปดประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโตสัมมาอาคีโวสัมมารกรรมโตทั้งหลายเลยเนี้ยมันเป็นทอ่อทอดมันไม่ดีไปเป็นปฏิปทาที่สม่ําเสมอให้เกิดจริงทั้งหลายแล้วนี่ขึ้นมา แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้เรื่องก็ยังอยากเถลียทะไรไปอย่างอื่นแต่ก็อยากได้อยู่แต่ก็ขี้เกียจทำงานมันไปในตานองนี้อยากได้เพื่อการจะขี้เกียจทำงานคือว่ามันไม่มีเหตุผลมันก็ไม่เกิดอยากได้อยู่แต่เดินไม่ถูกทาง ท่านในเดินมักแปดมีมักมีองค์แปดเราเดินไม่ได้มันไม่สนุกมันไม่สนุกมนไม่สนุกเพราะคนที่ยังมัวอยู่ในจิตเทั้งหลายเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีอยู่อย่างเนี้ยมันก็ไม่เข้าในมักสมาธิมันก็ไม่เกิด ผมเคยเทศในฟังบ่อยๆว่าสีรธรรมศิล น, นี่แหละมันเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายคือที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยที่ ม, มีความเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านกล่าวถึงปัตถมอาชานทุติยชานตายยชานจตุจชานอย่างนี้ชานทั้งหลายเหล่านี้เกิดมาจากศิล น, นีศิล น, นี่เป็นพ่อแม่ของธรร ม, มะเออ ศีลไม่มีธรร ม, มะนี่ไม่เกิดเพราะว่ามันเดินเป็นคนในทางมันเป็นมิจฉาทิฐิคิดผิดพูดผิดทำผิดนึกผิดติตกผิดสารพัดอย่างมันก็ไม่เข้าแนวกันเนี่ยเราก็ทำอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เขา้เขาแนวมันไม่เข้าแนวมันไม่เข้าเรื่องมัน จะพูดเรื่องโรกเราง่ายง่ายพูดเรื่องโรคของเราเนี่ยไอคนเกิดมาเรื่อโนโรคปัญญาทำไมไม่เหมือนกันเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเท่านั้นอีความรู้ความฉลาดไม่เหมือนกันอืนสอบวิชาความรู้ในโรงเรียนเดียวกันก็ไม่สม่ำเสมอขนาันมันเพราะอะไรเนี่ยอที น, นี้อาจารจึงบอกว่า เมื่อคนอื่นในดีเราก็ทนอยู่ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างเขาน่ะของเราไม่มีเราก็อยากเป็นอย่างเขานั่นนี่พระพุทธเจ้าองค์ทผานย้อนมาถึงกรรมถ้าพูดมาถึงตงัวนี้ท่าน เ, นาเนดียวาะไปดิ้นดนมันเลยสัตว์อาศัยกรรมเป็นแดนเกิดเป็นสีพึ่งท่านนี้พิจารณาถ้าเป็นเช่นนั้น เราก็ต้องเก็บไปในใจพิจารณาสร้างกรรมดีไปตะพุธมันจะยังไม่ได้ดีเดี๋ยวนี้ก็ช่างมันจะทาไปทาไปไม่ทอถทอยเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเนะ่ยแหมมันเกิดมาจากไหนนอ้อนี่ยทุกข์มันเกิดมาจากอะไรพิจารณาไปพิจารณามาเรื่อยๆเห็นมันเกิดมาจากความเกิด มันจึงเป็นทุกข์เพราะเราเกิดมามันมาจากความเกิดไอ้ความเกิดมาจากอะไรมาจากอุปาทานก็ได้หมุนไปอยู่ตรงนั้นแหละมุนจันน่ะอุปาทานความยึดมัน่นถือมัน เป็นชาติชรลาพยาธิมรณะทุกโสกปริเทวนาทุกข์เป็นวัฏจรไปเลยบนไม่จุดตาทีหนึง่งอย่างนั้นพระองค์กันแน่ว่ามันมีเกิด <c oughs> เกิดนี่น่ะเป็นเหตุในทุกมันเกิดเส้ยแล้วอไอ้ที่ไม่เกิดมันจะมีบั่งไม่น้อคิดไปที่จะนาไปมันคงมี พ่อว่าเกิดมันยังมีไม่เกิดมันก็ต้องมีร้อนมันมีเย็นมันก็ต้องมีสุขมีทุกข์ก็ต้องมีมีสุขมีทุกข์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องมีทันแน่ในใจของท่านอย่างนี้ออท่านจึงมุ่งเลยผลที่สุดนั้นท่านก็มองเห็นมาทาง่ไอความรู้อันใดไอความรู้ในทุก เห็นทุกรู้ว่าทุกไอ้ความรู้อะไรรู้ว่าทุกเกิดเหตุของทุกเกิดรู้ว่าไอ้ความระดับทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงความระดับทุกนี่เป็นทางออกของพระอริยะบุคคลแล้วในต้องรู้ไปมากมายเรอะรู้อันนี้เองเนอะรู้ทุกรู้เหตุใี่เกิดทุก รู้ความหลับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติถึงถึงความหลับทุกข์เท่า น, นี้เป็นมรรคแล้เป็นทางเดินของคกเราทั้งหลายแล้วไม่ต้องรู้ไปอย่างอื่นไม่ต้องรู้ไปอย่างอื่นนักปฏิบัติเราบางทีเออปฏิบัติอยากจะมันพ้นจากทุกข์อยากจะมันเห็นของดีๆบางทีก็ฝันไปอเมื่อคืนนี้ผมฝันเนี่ย ในหออยู่บนอากาศมันจะเป็นยังไงเมื่อคืนนี่ผมฝันว่าเห็นแสงอะไรผ่านมาบนที่สาเราขนลุกสู้สามันจะเป็นอะไรกันอาจารย์ครับเออได้วุ่นวายกันอยู่ตรงนี้ไงมันไม่ใช่เรื่องอันนี้ท่านในห่วงทริงมันไม่ใช่เรื่องอันนี้อืมมันไม่ใช่เรื่องอันนี้เรามื่อกลามองอยู่ตรงนี้แ่ะมันไม่เข้าทางันเลย ไม่เข้าทางมั้งเดินในมันทะลุไม่เข้าทาง่ะที่พระพุทธองค์นั่นจะมามันมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์มันมีร้อนมันก็ต้องมีเย็นอมันมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดมันแน่เลยทีเดียวนะอารมณ์มันจะมาปัดเป่าตรงไหนท่านก็ไม่หวั่นไหวเลยมันจะไปตรงนี้ก็ช่างมันเถอะค้นหาทุกข์มันเป็นอย่างไรเห็นตัวทุกข์แล้ว ทุกที่เราเคยเลยนรับมันอยู่ทุกวันนี่ทุกแล้รู้ว่ามันทุกทุกนี่มันเกิดมาจากอะไรต่อไปอีกก็เห็นว่าทุกนี่มันเกิดมาจากอนนั้นเช่นเรายกขันนี่มันหนักถ้าระวังเราเฉยเฉยมันก็ไม่หนักพอเรายกขึ้นมาทุ๊บหนักเอหนักนี่มันเกิดเพราะอะไรเอาหาไปดิ คิดไปคิดมาคิดเออมันหนักเพราะไปยกอันนี้เนี่ยก็วางอันนี้วางวางผลเนี่ยวางเหตุที่จะมันให้หนักตีดก็วางลงไปมันก็เบาเห็นไหมนี่พูดกันง่ายนี่มันก็เบาไอ่หนักนี่คือทุกข์เรามีทุกข์ก็เหมือนกันก็ยกอันนี้มันหนักหนักนี่มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากยกระคังนี้ เราผวางระพังนี้มันก็ไม่ทุกข์นี่ลูกจะทุกข์แต่ก็รูกจะเห็นมันคือมันยกอันนี้มันถึงหนักเมื่อเรามีทุกข์้นมาเราอยู่สบายปกติเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาปุ๊บมันต้องมีทุกข์มันเกิดเมา่จากอะไรก็ไปแก้มันตรงนั้นเหมือนกับเรายกกระทังนี้อื้อหนักมันหนักเพราะอะไรนี่พิจารณาไปพิจารณาไป มันหนักเพราะไปยกลูกทิมิรหรือไม่ใช่อะไรจะในมือเราเนี่ยเออมันหนักผิดปกตินี่หนักเพราะยกระคังนี้นี่เป็นเหตุให้มันหนักทำยังไงเมื่อเกินไปหนักวางระคังนี่ลงนี่มันก็ไม่หนักเมื่อไม่หนักเบาก็เกิดขึ้นมานีรู้จากแรกทำไมที่ไม่มันถึงไม่หนักรู้จากทุก รู้จักเห็นเกิดทุกปฏิบตัติให้ถึงความดับทุกก็คือวางนี่ปฏิบัติก็คือวางอนี้่วางขันเนี่ยรู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดของทุกรู้จักความดับทุกแล้วรู้จักความดับทุกก็คือปฏิบัติ <c oughs> เราไม่ปฏิบตัติมันหนักเราจะทำไงปฏิบัติให้มันไม่ให้นหนักกันเลยมันก็ต้องวางนี้เท่านี้แหละ <c oughs> เท่านี้รู้จักทุกรู้จักเหตเกิดของทุกรู้จักความดับทุกรู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกเราทำเท่านี้วางเท่านี้มันก็ดับแล้วทุกนี่นนคือเราปฏิบัติเห็นไหมเมื่อเราตำกันไปครั้งแรกก็ไม่รู้เรื่องยกแล้วนี้ขึ้นมาเมื่อันหนักเพราะอะไรน้อยเนา ะ, นะมันหนักเพราะอะไรไม่รู้เรื่องหือหนักเพราะอะไรเนาะ เพราะคนนั่นดูถูกราเว้ยเพราะคนนั่นว่าให้นะเว้ยสารพัดอย่างนะไม่ดูของในมือของเราเนี่ยนะเนี่ยดูไปเออมันทุกข์เกิดอย่างนี้เนาะอย่างนี้มีทุกไหมัม่มีไม่มีไม่มีก็มีเหตุเหมือนกันเพราะว่ามันมมีทุกเหตุเลยเหตุเพราะ อ, อะไรเพราะมันไปยกอะไรเลยเราอยู่เฉยๆทีๆนี้ไ ม, ไม่ไม่หนักงเนีเนี่ย นั่นก็ไม่ทุกเขาพูดถึงทางนั้นก็ไม่ทุกเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยมันไม่หนักในเวลานี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปยกอะไระเลยนเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยเนี่ยเมื่อทุกข์จะเกิดขึ้นมาก็เพราะเราไปหยิบมันนี่ขึ้นมานมันก็เท่านี้เองปฏิบัติของเราเน่ยแต่มันเป็นเรื่องจิตใจเท่านั้นนแหละแต่คนจะคุบไม่ทูกเนะก็ฮะอยู่อย่างนี้ อันนี้ก็คนเราเมื่อนกิเลสมันท่วมหัวหยกก็เห็นว่ามันยากจะต้องให้คนค น, นั่นทุกถูกใจฉันฉันจริงจะสบายไอันนั้นถูกใจฉันทุกอย่างการงานให้ให้ถูกใจฉันคนนั่นทําให้ถูกใจฉันไอ้คนนั่นทําให้ถูกใจฉันทุกอย่างฉันจริงจะสบายมันจะมีไหมในโลก ใครจะพูดให้ถูกใจคนคนเดียวทั้งโลกอย่างนี้มีไหมมันก็ทุกข์จนตายเท่านั้นเนี่ยเออนะมันก็ทุกข์จนตายเท่านั้นอือถูกใจเราก็ช่างไม่ถูกใจเราก็ช่างไม่มีสุขไม่มีทุกข์ทำครั้งแรกมันก็เป็นทุกข์วางทุกข์พิ้งก็ถึงสุขถึงสุนะกก็ในกติยานันทอีแหละ ถึงที่นั่นจะไม่มีสุขไม่มีทุกข์ถ้าพูดไปตรงนี้คนเรามางคนงงมันเคยพบเจอสุขกับทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เคยเห็นเลยถ้าไม่สุขไม่ทุกข์เวบังเอิญเป็นเป็นขั้งคราวดี๋ดิ้นเลยฉันจะจะตายนะมันบีบเพราะใจฉันเนี่ยคนไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้นอกจากพระอริยเจ้าท่านจะไปอยู่ตรงนั้นท่านจะสบาย ท่านจะสบายเหือเราเหมือนเราตัดกางเกงไฮไลน์เนี่ยนะมันนิ่มเลยทีเดีลองดองดูกันมันขี้เลยกางเกงเลยเอาสิมันไม่เคยทำนี่ที่จะมาสบายต่อยตามเรื่องมันก็สบายเราจะให้ไม่ให้มีสุขมีทุกข์โอ้โหตายซะแล้วนไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้อย่างนั้นกันเทียบถึงอะไรพวกยุงพวกเลือดมันมันไปอยู่ตรงนั้นไม่นานหรอกอายุมันเจ็ดวันมันก็ตายเท่านั้นแหะ อยู่ไปไม่ได้ตรงนั้นอันนี้คือมันการของมันมีอยู่แต่ว่าเราค้นไม่พบเพราะอะไรเพราะความเพียรไม่พอ่ัอนไม่ถึงแต่กระผมไปยพูดให้ฟัง บ, บ่อยๆไฟคนแก่คนโบราณ น, นะไฟ เขาไฟมันอยู่ตรงนี้อยู่ซี่ไม้ไผ่แห้งๆนี่จะทำไงก็ เ, เอาไม้ไผ่สองซี่เนี่ยมาสีกันเข้าไปไม่หยุดไฟอยู่ตรงนี้คนแก่เขาเคยทำมาแล้วบางทีเขาเคยไปป่าคนโบราณเราไปป่าไม่ต้องถือไม้กีดไฟอเอาซี่ไม้ไผนะ่แห้งๆตามกระต๊อกนาเขาหน่หรือลำปอแห้งๆนี่ เาบอกว่าไฟอยู่ตรงนั้นเออถึงจะทำอาหารเมื่อไรเป็นต้นก็เอาไม่ไผ่จองสี่นี่ยเมื่อสีกันเข้าไปนะขูดไม่ขูดไม่เป็นเชื่อเพลิงแต่นี่ตักใสีได้อะสีไปครั้งแรกมันเย็นสีไปมันร้อน ชี้ไปนนานๆมันมีควันแต่มันร้อนเนี่ก็อยู่นานโอโคนะแต่มันเกิดเป็นควันเนโโนะีนะ่ก็อยู่นานอุโคนะนะก่อนมันจะเกิดไฟเลยนะเราเป็นลูกเป็นหลานสมัยนี้ยิ่งความอดทนน้อยก็คว้าไม่ไผนะ่มาสีไฟไม่ถึงสองนาทีลำคานจะแล้วครำพานท่านเนี่ยเอ้าระวังไว้นะ มีแรงใชมันก็เย็นทั้งนะเนี่ยก็มาสีอีกมันก็เริ่มต้นไปอีกสีไปจนกระทั่งสามชั่วโมงยรือกระทั่งวันมันก็ไม่ได้พอาีไปเราก็มาวางไว้มันก็เย็นอีกก็เอามาสีกันอีกเกือบจะมีไฟแล้วก็เหนื่อยอีกขี้เกียอีกก็เย็นมาวางไว้ตรงนี้ได้ดูถูกคนแก่คนแก่บ่าวบ่านี่โกหกในเรานี่ เอาพี่ใไฟมาสีกันเกือบจะตายมันจะมีอะไรแน่นี่แหละคือเรารู้ไม่ถึงมันคือความร้อนยังไปสมรุมกันเราอยากจใ้ไฟเกิดขึ้นแล้วคนแก่เขาเคยทำมาเขาผ่านมาแล้วเขาสีจนกว่าที่ว่ามันใช่อดฟังอดทนสีไปมันยิ่งร้อนยิ่งสีก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องพักหรอกแต่พักมันก็เย็นด้วยนั้นแหละ ดี ม, มันทะลุไปเลยลี่กควานเกิดขึ้นมาเมื่อกควานเกิดขึ้นมาเอาเชือเพลิงมาปิดกลาบนรอยดีไปทีน่นี่เนี่ยเกิดไฟจริงจริงมันร้อนเต็มทีไอ้ความร้อนมันสมรุน ม, มันเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยเกิดคลึกเกิดเป็นไฟเห็นไหมเมื่อเกิดเป็นไฟพุึบเอาเชือเพลิงก็้ามาใส่เองนะจากนั้นเนี่ยเอาไปเผาอะไรก็ได้เอาไปแจ้งอะไรก็ได้น้าอย่างอืนี่คือคนแก่เคยทํามาแล้ว แปลว่าไอ้เด็กๆของเราที่เกิดมารุ่นใหม่เนี่ยมันอะไรมันก็สะดวกสะดวกนะมันสะดวกหลายมันสะดวกมากเกินไปไม่เอาฉล๊าฉันเนี่ยให้เอาชีไม่ไปมาสีกันอยังนั้นไม่กินก็ไม่ได้กินไม่กินมันเท่านั้นนี่เนี่ยอย่างเนี้ก็เหมือนกันกับที่ว่าไอ้ลูกล้านล้านที่เรไม่ตามอื่นนะ พวกนักศึกษามามาขอเรียนกรรมฐานเนี่ยฟังฟังถามเพรเขาอยากได้ต้องการเร็วๆทางนั้นเนี่ยพ่ออยากจ ะ, จะหาวิธีเรียนกรรมฐานเนี่ยจะทําไงเอ็มเร็วที่สุดไปทำไงโอ้ยเต็มทีนะมันเร็วที่สุดมันไม่ได้แล้วโยมมันไม่ได้มันของมีเหตุมีผลเออไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเุื่เดียวทำ ชอบใจของเราอย่างนั้นอืมันต้องมีเหตุมีผลสมควรมันจึงมีถึงเป็นเกิดขึ้นมาอ่อเดียวที่สุดเนี่ยพระพุทธองค์สมุมดปัญญามาแล้วพ่อก็แก้ปัญหานี่ไม่ได้ในทะางการเร็วๆเนี่ยถ้าอยากเร็วก็ไม่ต้องทํามันเท่า น, นั้นนี่นี่ซาตงเร็วมันต้องทำอย่าทำมันเท่า น, นั้นนะนีะ่มันเป็นอไรอย่างนี้อันนี้คือมันกันอต่ น, นี้นี่ท่านสวด มักแปดประการเนี่ยนะนี่จะเรื่องจิตใจทั้งนั้นนะ่ะในใจของเกิดมาง่ายๆในเกิดง่ายๆการกระทานี่ต้องเอาชีวิตแรกเอาเลยตายเป็นตายเป็นเป็นๆแล้วจะพยายามอยู่อย่างเนี้ยอืไม่หยุดไม่ถอยเลยพยายามการรักษาศีลมีสติสัมปชัญญะอยู่ ก็ทำในเรื่อยไม่ท้อไม่ ถ, อ, มถอยเลยทําอยู่ในเรื่อยหมดความประมาทไอความประมาทไม่มีในวงนี้เออไม่มีในวงนี้ศิล น, นก็เจริญขึ้นมาเพราะทําความติดต่อกันเหมือนกันกนรกระรอเอาไม้ไผ่มาสีไฟสีไม่หยุดเจอไอความร้อนมันก็มากขึ้นมากขึ้นยิ่งสีกัไปก็มากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นเท่านั้น เมื่อร้อนมันมากมันก็เกิดควนันนะมันใกล้จะเป็นไฟแล้วนี่นะแต่ว่ามันมีควันอยู่ ก, กับพักหนึง่งไม่ใช่เด่นๆเหมนะือนกันนะออแต่ไม่ยอมปล่อยมันทาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมาเกิดไฟขึ้นมาในที่นั่นเลยนี่เหมือนพระพุทธองค์ของเราท่านประพฤติปฏิบัติตามความเห็นของท่านมาเออมันทุกข์เพราะอะไรคิดไปคิดมาในทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเกิดมา มองไปข้างหน้าข้างหลังมันก็แน่นอนทุกเพราะไม่เกิดอต่ทุกพอเราเกิดมา อ, ะอะจะทํายังไงล่ะก็พยายามภาวนาไปอีก เ, อเกิดมามันก็เกิดมาได้ตายไม่ก็ตายของมันได้อันนี้ไม่ได้แต้มมันเป็นอย่างของมันอยู่อย่างนั้นแต่ก็คิดไปพิจารณาไปดีๆในที่สงบของการเห็นชาติดีกว่า อันนี้มันมีเกิดที่ไม่เกิดจะมีไหมนาะมีสิมันมีที่ไม่เกิดพอเห็นที่ไม่เกิดก็ดเห็นที่ไม่ตายเท่านั้นอ๋อตรงนี้เองเว้ยไหมะเออเนี่มันจะเกิดมาเพราะอะไรนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นวิยาสติทุกส ม, มุทัยนิโรธมากสี่อย่างตรนี้ รู้จักทุกรู้จักเกิดของทุกรู้จักความหลับทุกรู้จักข้อปฏิบัติใเป็นความหลักทุกทำไปเถอะตรงเนี้ยท่านไม่ปล่อยของท่านไอความเพียรของท่านเข้มแข็งมากแน่นอนในใจว่ามันอยู่ตรงเนี้ยใครว่ามันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ตรงเนี้ยอ่าอยู่ตรงเนี้ยใครบอกไปสิไม่ไปมันอยู่ตรงนี้นะท่านเห็นชัดของท่านพร้สงฆ เอาชีวิตใส่ลงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงที่จะไม่มีทุกข์แล้วเออนะตรงนี้ตรงจะไม่มีทุกข์นะไม่มีทุกข์ถ้าเราทําไปตรงนี้ตรงนี้ที่จะไม่เกิดทุกข์ไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่เกิดทุกข์ไม่ฟังเสียงใครแล้วนะอันนี้ท่านก็บอมเพลินมาพ่อเหมือนกันนี่ยปันจิ๋ ม, มาชาติของท่านน่นะท่านมาเล่นอยู่ทั้งหกปัญหาเลยใช่ไหม ท่านก็ยังไม่ยอดพ่อเลยเมื่อไรจะสําเร็จนาะท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้น่ะเมื่อไรก็เมื่อไรเธอะ่ะมันอยู่ตรงนี้ที่อื่นมันมัววอยู่ตรงเนี้ยอเดินเที่ยวหาดีโมกขธรรมไปถึงอุตะกะลาบทอรันรดาบทซึ่งไม่เคยเห็นเนี่ยไปเห็นท่านกอน ไปนั่งท่านก็นั่งสมาธิอย่างเนี้ถ้าพุทธเจ้าก็เดินไปดูอี่ทำแบบนี้ก็น่าจะสบายเหมือนกันด้วยเอามือขวาทับมือซ้ายเท่าขวาทับเท่าซ้ายนั่งตั้งกายให้ตรงดับตา ด, ด้วยด้วยนั่งอยู่ในต้นไม้พ้าพุทธองค์จะไปเห็นด้วยคนชอบใจเหมือนกัน น, น่าจะสนุกมาก ต้ากระดับซะด้วยมือถ้าวางเป็นระเบียบเลยอันนี้เราไม่เคยเห็นเลยพยายามอยู่ขออยู่ในตำหนักนั้นฝึกมันฝึกเนี่ยท่านไม่ได้ประมาททุบดองดูท่านเห็นข้หน้าจะานสบตากระดับแต่แล้วนี่จะลงหายใจเข้าออกอยู่แต่เมื่อใดก็ได้เหมือนั้นแต่ที่สำคัญที่ท่านสังเกตว่าเอออันนี้ยังไม่เพิ่ทุกข์ว่ะ ทำไมจะไม่ผุนชกเพราะท่านรูจิตของท่านเมื่อเราปล่ลอยออกจากธรรมดาน่ะอยู่ปกติดังนั้นหยิบมนันหวันหยิบตกไปจนนู้นลา่าขนพิมพา น, น โ, อโอ้ไอนี่มันยังอยูอย่เว้ยมันยังมันยังไปเกาะอยู่นั่นน่ะมันยังไปเกาะอยู่น้นทำไปอีกเอออันนี้ก็ยังยังไม่ใช่กลับไปเล่นเป็นต้นทางล่ะท่านจะอยู่ในส้ำ น, นักเป็นโทตมขัว ไปอีกหาไปอีกรู้แล้วว่านี่แต่ว่าเป็นทางเหมือนกันแต่ยังมีผลทุกยังอูกอยู่เนี่ยคือถ้านดูจิตของท่านนี่นะมันเป็นอุปทานอยู่อันนั้นอันนี้เยอะไปหาอารันยาอารันย า, า, ยาลาบุตรต่อไปได้ฌานมากเดชะมาแปดชะมาบัตแปดเลยตรงน้นโอ้ยละเอียดเขาไปจนกว่าที่ว่ามันจะไม่มีอะไรเลยเออแน่นอนไปสคืนมาละเอียดตัวกันมาก นานแตงหงนานที่สุด แ, แต่แแจกก็ยังไม่อยู่เหมือนกันนะพอเฉย อ, อยู่เป็นปกติเฉยๆมันโผล่ไปหาทิปาลาสิอีกแล้วเอออันนี้ก็ยังอยู่อีกแล้วยังไปไม่ไร้อีกนะนเห็นไหมมันอยู่ตรงไหนเนะนี่นอ น, นี่ฮานี่ตัณหาอมนี่มันเป็นเรื่องของสมาธิ ละเอียดถึงขันไหนเมื่อมันมีรละเอียดอยู่มันก็มีหยาบอยู่นั่นแหละเนี่ยเออดีปัสนาพอไปตักซะแม้มันละเอียดได้เกินผมชอบนั่นแหละชอบกับละเอียดระวังเลยครหยาบมันจะเกิดขึ้นม า, นนามเนี่ยถ้าพระองค์มีแน่ใจก็ทําไปไ ด, ดิ้นี้ทําไป ด, ดิ้อันนี้เป็นหลักนะเดินมาที่องค์แก่ประการนี้ เท่าฌานสมาบัติสัพัฒอย่างตัวเนี้ยนะปัญญายังไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาซะแล้วท่านรู้จักอารมณ์ของมิปัฒนาคือเหตุที่จะมันในเกิดนิปัสนาให้รู้เท่าตามเป็นจริงนั้นให้มันหมดทิ้งไปเลยไม่ให้มันเหลืออยยากเหลือละเอียดนั่นจะทำไงเนืม ท่านพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายทุกอย่างเมื่อมากระทบแล้วแตอนน่อานิจจังทุกขังอ น, าานัตตาสามอย่างนี้แหละ <S 2> <S 2> เป็นอารมณ์ของมีปัจนาแล้วเป็นที่สิ่งที่ทำํำจิตของเราให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วท่านมาจะเดินนะถ้าอะไรเกิดสุขเกิดมาท่านก็บอกเอขขออนิจจังทุกขังอ น, าานัตตาแต่ของไม่แน่ นะเป็นของไม่แน่ทุกมันก็ไม่แน่สุขมันก็ไม่แน่เราชอบมันก็ไม่แน่เราไม่ชอบมันก็ไม่แน่เมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านไม่ร่งตามมานันเลยท่านอยู่หลักตรงนี้เลยตัดสินยังนี้ได้ยหลักที่เรียกว่าอดิตจังทุกขังอนัตตานี้เป็นอารมณ์ของนิพพานา เมื่อถูกอารมณ์อะไรขึ้นมาท่านบอกวัดเจตตรงนี้ตรงนี้ลู่เรื่อนไปคือไม่ไปยึดจนเป็นเหตุที่ว่าไม่ให้มีุขทานเขาไปยึดมันมันจะรักก็เห็นมาอันนี้มันเป็นโทษมันจะเกลียดอันนี้ก็เห็นเรามันเป็นโทษอยู่มันยังเหลืออยู่เนี่ยไม่เข้าทั้งหลายเลย เมื่อเห็นอารมณ์เกิดขึ้นมาทุกอย่างท่านประวงังจิตตรงอย่างนี้อันนี้มันไม่แน่สอนจนจิตของท่านเห็นถ้าเห็นเรามันแน่แต่พอไปยึดท่านสอนจิตอันนี้มันไม่แน่กายนี่จิตนี่สารพัดนี่มันไม่แน่สักอย่างเป็นเหตุให้ปล่อยวางถ้าเรามันไม่แน่ไอ้ความแน่ในสิ่งเ่านี้มันก็ น, น, น้อยสักน้อยครับจนเป็นเหตุไม่ยึดมัน่นถือมัน ในรูปและนามอนี้ในกายโดยจิตนี้ทั้งรูปและทั้งไม่มีรูปเนี้ยรูปขึ้นมาไม่ยึดมันถือมันแต่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอืจะพาเราทำทั้งหลายเห็นแล้วมันเกิเดแล้วดับมันเกิเดแล้วดับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอย่างเราที่เห็นคราเนี่ยสันมันทุกข์เหลือเกินทาไมเพราะสุขมันดับไปขนาดนั้นมันเลทุกข์เกิดขึ้นมา พอสุขเกิดมาปุ๊บออสบายได้เป็นสุขไม่ใช่ทุกมันดับไปที่เฉยเราจะเป็นไปเรียกตรงนั้นว่ามันเป็นสุขไอ้ความเป็นจริงอ่ะทุกเกิดแต่ก็ทุกดับทุกเกิดแต่ก็ทุกดับทุกเกิดทุกเท่านี้นะ เ, เราไปเห็นทุกมันดับเราเรียกว่าสุขนะไปจัดที่ตรงนั้นนไปตะคุตรงนั้นอยู่ <ừ. S 1> ไม่อยู่สักีหนึ่งเลยอ ท่านเห็นชัดก็ไปกว่านั้นว่าถ้าหากมันยังเหลือละเอียดอยู่น่ขีนาสาวขีนาตกนี่ก็มีเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีเรื่องสิ้นไปถ้ามันมีเกิดมันก็มีแต่มีติดใหตายไม่จบสิ้นเห็นอย่งก็พทานเป็นเหตุแล้วท่านพิจารณาเห็นชัดเห็นชัดขนาดไหนเห็นชัดจนขนาดที่ท่านว่าเบื่อมันไม่หมายมันมันเลยเอื่อมละอาแล้ว เล่นมาก็ะถิ่งทั้งหลายเแล้วนี้หลายภพลหลายชาติแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้อืว่าจะเอาให้มันหมดสมบัติในโลกจะเอาให้มันหมดหเหลือแหละแหละมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ไม่มีอะไรแน่นอนนะท่านที่นั่งจังทุกขังหน้าตาในจิตใจของท่านอท่านก็เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายข้อ น, นี้มันเกิดเนี่ยมันดับไปทุกข์เกิดกับทุกข์ดับทุกข์เกิดกับทุกข์ดับทุกข์เกิดกับทุกข์ดับ ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เลยที่เนี่เออมันจะเพียงมาทุกข์มันเกินแต่ทุกข์มันหนักเท่านั้นถ้าทุกข์เกิดได้เ้าใจมาทุกข์ถ้าทุกข์กลับไปตรงนั้นเราเรียกว่าสุขเท่านั้นเดีได้เป็นมาแต่ทุกเป็นอยู่ตรงนี้นะมันก็ไม่จบเรื่องมันจะทีหนึ่งเลยบนทำไมเนาะมันจะมันจะหายนอนเรื่องไม่หายเพราะมันมีเหตุอยู่เท่านั้นเรื่องมันเป็นอะไรอย่างนี้นี่จะนั่นพวกเราสังขายเนี่ยทําเพื่อให้เป็นปัจจัยก็ยังดีแล้วให้มันมั่น ให้ ม, มันไว้ให้มันมันม่นไว้เรื่องที่เราสวดนะมรรคในโอเบตประการนั้นร่วนแต่ออกจากจิตของเราเท่านะั้นอันนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นมาจากพ่อแม่คือศีลศีลสมาธิปัญญาพูดกระตันคืนนี่ก็ไม่นี้ไปจากนี้ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นมรรคแหล่ แต่ท่านขยายไปถึงแปดเนี่ยนก็่าแปดก็มีแต่มารวมเรื่องมันเป็นศีลสมาี่ปัญญาศีลนี่คือรักษาอะไรที่ไม่มีโทษเกิดขึ้นนะถ้ามันอยากจะทําอยู่ตั้นไว้อดไว้บางทีก็ยังถลําไปใช่ไหมขาดศีลจะไปทีเลยนึกเลยต่อไมอ่อีเห็นไหมโยมเขาต่อกันตะวันตะวันต่อไม่หยุดเห็นไหมผมไปเพียรได้ต่อกันไม่หยุดด้วยอืม ต่อไม่หยุดเลยสินไม่ต่อไม่หยุดนต่อไปจนที่ว่าไม่อยู่สินเลยเหมือนเชือกกระดาษต่อเรลยต่อจนไม่มีที่ต่อต่อจนหมดเชือกทุนหมดทั้งเส้นเลยนี่โยงเหมือนกันต่อสินต่อสินเหมือนกันไอ้พวกเราทางในเหมือนกันอ่ะถ้าเป็นอัติแล้วก็มาสัปตาอาปติโยโลเกมิสัปตะ ผมอยู่หบ้านครับไปยินตบาทออกมาแล้วก็มาสแสดงอบัตนีะตอนเช้ามาก็สแสดงอบัตยเย็นมาก็สแสดงอบัตทุกทีสแสดงอบัตสแสดงอ ბ ัตยอยู่อย่างนั้นสแสดงไปทําไมไม่รู้อ่ะท่านพาสแสดงมามบางบางคนอยากกินเข้าเย็นก็กิน มันไม่ยากหรอกไปแสดงอาบัต์มันก็ตกทุกนั้นเลเอออยากไปฆ่าสัตว์กฆ่ามันอาบัต์เล็กๆน้อยๆไปแสดงอาบัตมันก็ตกอ่าเดาเป็นคู่มือซะเนือเป็นเครื่องมือนะทีนึงการแสดงอาบัต์นี่แสดงไม่ได้แต่แต่ประชิกกับสั้งขานนะนนแสดงไม่ได้ยากเยอ ไอ้ทุกวันเนี่ยคนที่ไม่รู้อวบัติเด้กเลไอ น, น้อยเนี่ยมันก้าไปถึงภ ร, ราชิกเมื่อไรก็ไม่รู้มันก้าไปถึงสังกาติเสษเมื่ อ, อไรก็ไม่รู้แต่ทางนี้ก็ยังยกไม่ขึ้นนะจะไปยกบูกอิมิตรขึ้นหรืนเนี่ยไอ้ตัวลิเบียคดีเรายังรักษาไม่ได้อปรารชิกสังกาติเสษมันตัวใหญ่กว่านี้เราจะรักษาได้หรือไม่ก็ได้ถือว่าตัวเล็กน้อยมีสํคาคัญนะ ไปแสดงกรบาดดาไก็หายไปหายหายไปหายไปหมดง่าเลยเอาเป็นคู่มือหาจิ้มเลยอยากจะกินเขาเย็นวัอนี้ก็กินนะไปแสดงกรบาาวตอนตอนเย็นเนนี่แสดงกรบาดดาฮะตอนเช้าแสดงไอ้ความรู้ไปตั้งอยู่ในคนตาเหมือนเอาอาวุธใส่มือโจน เลยเป็นเครื่องมือหากินเลยมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันไกลกันได้ะเกินเนี่ยก็มันแปลกประการนี่แนะ่ถ้าแสดงไปมันละเอียกอ่อนมากถึงเรื่อด จ, จิตใจกับการประพฤติปฏิบัติของสามัญชนเราตลอดมาทุกวันนี้มันห่างไกลกันมากเลยเกินแล้วอืมตัวตนมันผิดนะอย่าไปทำํำเลยยิ่งไปทําตรงนั้นแหละอตรงนั้นอย่าไปปัสสาวะเลยนะยิ่งไปเปิดตรงนั้นปัสสาวะเลย ตรงนั้นอย่าไปเปิอนนะปีดไปแล้วยิ่งเอาอะไรไปนนงัดถมันทางหมดแลหละตรงนั้น <c oughs> ตรงนี้มันสะอาดจะมาทําสุกภูอะไรตรงนั้นยิ่งเอาถ่านไฟไปเขียนดิเละเธอโอเห็นไหมตามตราบนาดดีเห็นไห ม, ม, ดด เ, หไหมเออเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะให้พวกเรามีปรกันถ้าหากว่ามันไม่งลงรอยสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็ไม่ไปนะเราลองๆดูก็ได้นลองดูก็ได้ดไดมันไม่ไปมันไม่ไปนะ มันเลือกศีล น, นี้เป็ น, น, น เ, รเรื่องสี่สาคัญอันหนึ่งเบื้องแรกเรื่องสมาธินี่มันไปเป็นเรื่องสําคัญขั้งสี่สองเรื่องปัญญาเป็นสําคัญเบื้องปลายมันเดยกแปดศีลสมาธิปัญญา้รวมมัรคแปดประการนี่คืออะไรย่นที่ย่นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขยายออกไปเป็นแปดประการเป็นมรรคแปดประการรวมขมามีศีลสมาธิปัญญาเราประเด็นนังสือกระสอบกันอยู่เรื่อย สอบเอาตัวหนังสือมันแต่ไม่ไม่สอบในใจของเรา่ะมันจะระดมเยอะกว่าสั่นมันเยอะพอพูดเรื่องจิตสมาธิปัญญาอยู่เลยเนี่ยมันเป็นไปอย่างนี้อือันนี้ก็เรียกว่าไอ้ความตั้งใจมั่ น, นเป็นสิ่งสาคัญไม่มีอะไรมันจะยิ่งไปกว่านี้ยิ่งกับความตั้งใจของเรานี่ถึงแม้ว่าจะไม่เดินโยมนั่งสมาธิกระทั่งเหงื่อกร ะ, ะทั่งวันก็ยังจิตใจของมันตามของมันอยู่ตลอดเลยลหลัะ ตามเวลาของมาณเทียนอยู่อย่างนั้นไม่มีเสียหายไปที่ไหนหรอกผู้ชิดจลาในธรรมปฏิบัติแบบนี้อันนี้ให้ใเข้าใจอนว่วนเนี้พอเอ่ยขึ้นแล้วก็เลยมันมันซึ้งเลยไม่มีหนีถ้าปฏิบัติจิตใจเราลงไปแล้วนะให้มันตรงกันไปไม่จะต้องไปอย่างนี้เนี่ย ทำไมมันจะไม่ถูกทำไมมันจะไม่เป้นมันเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้มุขตะโวงของเราหรอมันตันมันอยู่ตรงนี้ใครมาบอกใอ้นี้จะชนียก็ไม่ดีอยู่มันตรงนี้ทามันอยู่ตรงเนี้ยมันจะตายที่ไหนก็ช่างมันเอาไนอยู่ตรงนี้เออมันก็ไม่เหลือแล่วนะเนี่ยเนะขนาดคนโบราณเอาซี่ไม้ไผ่มาให้ไฟอยู่ตรงนี้ เราชี้แมไฟไปชีกันสักไม่สองนาทีเดี๋ยวเหนื่อยแต่เลยคว่ำกับฝาซ์ออไม่จะกินต์เ ล, ลยเ <c oughs> นี่ยป ร, รับความรู้ป ร, รับปัญญาของเราไอความเพียรในตรงนั้นที่แรกก็สกร้างความดีที่แรกเรามีคนชั่วสมณะคนชั่วสร้างความดีขึ้นอีกได้ความดีแล้วหมดดีเท่านี้นะคนนะได้ความดีจะยกทงข่าวเลยนะถ้าพระอง้าไม่เอาแค่นี้มาดีท่านก็ไม่เอาอีกไปเรืย ทิ่งควาชั่วมันได้ความดีดีท่านก็วัเห็นมันเป็นโทษท่านก็ทิ้งมันไม่สุขไม่ทุกข์มันจะสุขจะทุกข์ก็ปล่อยมันเถอะมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดแต่มกระดับมันเกิดแต่กระดับอยู่อย่างนั้นมันยังเหลืออยู่นั้นอย่างนั้นชื่อของป้าหานเจ้าบางแห่งแต่เป็นพักินาจกสิ้นนั่นสิ้นอะไรสิ้นสุขสิ้นทุกข์เมื่อไม่มีสุขมีทุกข์เราจะไปอยู่ตรงไหนเ่ย หมดมันตหมดอนะมันตหมดแต่พูดให้เราฟังเป็นตนัวหนยต้องการอยากให้มันเหลืออยู่วะอือยากให้มันเหลือไม่เห็นประโยชน์ในการสิ้นสุขสิ้นทุกเห็นประโยชน์ในการที่ว่ า, ามันมีสุขมีทุกอมนันจึงร้องไห้ไปเป็นแถวเห็นไหมโทษมันเป็นอย่างนี้อืม อันนี้ให้เอาไปปรับสติปัญญาของเราโน้นมันยังไกลแต่ว่าเราทำอันนี้เพื่อให้เป็นปัจจัยให้มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆไปอย่างนั้นการถวายทานของญาติโยมของคู่คนและทางไงวะอนาคเตกาเรอนาคเตกาเรที่สุดในให้ถึงปณิพน ในอนาคตการข้างหน้าโน้นเธอที่ไหนไม่รู้เรื่องไกลได้เพิ่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าไปว่าอนาคตจะการโน้นนี่ไม่มีมิตโนนทัน้งนั้นไกลแล้วนอะโน้นชาติดีก็โน้นชาติหน้าก็โ น, น้นไม่ถึงสักทีหนึ่งเลยมีเตโนโน้ น, นไปเลยเหมือนกับนิมนต์พระดวงตาไิรัตบาทนิมนต์ท่านโปรดทางหน้านโน้นเถอะสบ ไ, ไปบ้าน น, ะนั่งคนนิมนต์ท่านไปโน้นเถอะโปรดทางห น, า น, า น, าน้าโน้น ต้องตาไม่ไดเข้าถวกมาฉันเลยมิเต้นโน่นทั้งนั้นไม่มีอะไรตามไปตามมาใส่บาโ น, นโนนไปตามโน่นโน่นเลยไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยมันก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ไปพูดหรอกทำไมเดี๋ยวนี้มันขัดเลยมันยังสุกอยู่เนี่ยมันยังช่อเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่กล้าทิ้งบอกว่าโนู้นเพราะกลาเอาไปโน่นเหมือนกันกับคนมันยุ่งกัรงานเขาเนี่ยน้องตาไปเวธียนถวันมีมันทำงนานโน่นก็ไปโน่นด้วย ไปบ้านหนังคณิมนท์าไนไปโน้มไปโน้นเรืยมีแต่โน้นด้วยไม่มีนี่สักทีเลยเลยไม่ได้เข้ามาฉันเลยนี่แต่เรื่องโน้มท่านนี่พูดถึงเรื่องปัจจุบันของเรานี้การทําประพฤปฏิบัตินี่มันได้ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องโน้นหรอกได้ไปทีละน้อยด้น้อยเราไม่ดูเรื่องว่าเราได้ที่ดูเรื่องว่าเราได้ไม่ดูเรื่องว่าเ ร, ราได้แก่มามันได้ทํานี้แต่มันก็ได้ดีก็ อ, อย่างเราฉันจะหันนี่เนี่ยหิวจะจัด ฉันจังหั้นครั้งแรกคำเดียวอีมไหมไม่อิ่มนะไม่รู้เรื่องอิ่มดีแต่มันอินไม่มากรู้ไหมน่ะอิ่มแต่มันอิ่มไม่มากเอาไปสองคำก็อินมอิ ม, อ ม, มากเท่านี้นิดหน่อยเก็บเล็กเก็บน้อยเขากันนะไปเกือบถึงจุ ด, ทดทเทียวอาหารช้าๆอะไรสิแงไปมองดูขันน้ำก็ได้เห็นไหมแงไปแล้ว น, น, นั่นทาไมนะ่ย เพราะอะไรเพราะสิง่งเล็กๆน้อยๆ i, มันรวมมันขึ้นมารวมมันขึ้นมารวมมันขึ้นมานะรวมมันขึ้นมาไอ้ความหิวก็หายไปหายไปหายไปหิวหายไปหมดแล้วอิ่มละอาเลยะลองดูอาหารจานนี้มันอร่อยมันก็ไม่อร่อยนะหยิบโน้มก็ไม่อร่อยหยิบที่ก็ไม่อร่อยนะมะเพราะอะไรนั่นอ่านะไอ้เพราะ ไอ้ทำเข้าที่เราทำนั่นแหละมันมันมันให้เต็มอย่างนั้นผลสุดสุดสุดแล้วก็เลิกยอมแล้วไม่อยากจะเก็บไปแล้วอไมาอยากเอาให้ก็ไม่อยากจะเอาแล้วปล่อยหมดแล้วอิ่มแล้วน่ะใช่ไหมแต่เราไม่รู้มันอเราเกิดมาคือเมื่อไกนแก่สักวันเธอจึงจะทําไม่รู้ว่ามันแก่เมืเ่อเกิดมานงะถ้ามันไม่แก่ไม่จะออกจากห้องแม่มา มันอ่อนๆไม่ไดท้องแม่ของมันนั่นแหละจนมาคาดออกมาข้างนอกก็ยังว่ามันไม่แก่เลยนี่มันหลวบออกลวงของเราจต่นั้นแหะมันไม่แก่มันออกมาขนาดนี้หรอกขนาดได้ออกมาข้างนอกยังวิ่งเย็นกันอยู่นึกว่าเราไม่แก่อยู่ไหนโอ้โหมันหลงจนกว่าทีวันตายเลยมันน่าคิดอันนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วอันี่ยมันก็จะเห็นธรรมะหรอกอันนี้มันไม่อยากจะพิจารณาหนาเนี่ย บวชมาครั้งแรกครูบาอาจารย์บอกพิจนาสังขารร่างกายเนี่ยพิจารณารูปนี่มันเป็นอสุภะมันไม่สวยไม่งามเนาะแล้วามันโคงประมันเดียวนั้ น, นขวานพอดีงอมๆไปแล้วมันจับเป็นไมได้โอ้ยเรื่องอสุภะอสุฟังมันไม่เกิดเลยมันคับก็ไปมันก็ไม่เกิดนี่อืแต่บรรนานทําไปไ บ, บ่อยๆนะมีท่ามีทางได้หน่อยนึงแล้วก็กลับไปกลับมาอยู่เนี่ยมันหน้าถ้าหากใครใม่สนใจจริงๆแล้ว ไม่มีนิสัยปัจจัยผมว่ามันไม่ได้แต่ว่ามันจะคงได้ที่ว่าเป็นปัจจัยนะให้มันน้อยไปน้อยไปคือการเราเราฉันแต่หันนึ่งฉันทาหนึ่งกว่าเองแต่เราไม่รู้สึกว่ามันอิ่มแบบคือสองอยากมันท่วมหัวแล้วแหละเอาสองคำเข้าไปอิ่มไหมไม่อิ่มเอาอะไรก็ไปมั่นก็ไม่อิ่มเพราะความอยากมันยังอยู่มากะใส่เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปถอนถอนออกมาถอยออกมา ค้อยออกมาเออเอาละมองเห็นหน้ารูปหน้าหลานเนี่ยนี้นี่แต่สังบรนสังรวมอะไรก็เปิดได้แต่มันอยู่แล้วนี่นะอืมครั้งแรกเสิโ อ, โอ้โหทา่านบอกอย่าไปทําคํำข่าวให้โตนักไม่เห็นเลยะยิ่งขยันา ม, มาอะไรยิ่งไม่ปั้นยักษ์ก็ไปโดยมันยาวๆอยู่เหือท่านบอกว่าอย่าทำคำข่าให้โตนักฟังตอนเย็นๆมาฟังก็ฟังแต่ว่ามันไม่ได้ยึดนะ เมื่อ ห, หิวมาแล้วก็ไปนั่งเข้าไปในโอ้มองไปแต่กลางหาหัวแถวทำไมนานฉันเดืกด น, น้อเ น, นี่บางทีด่าหัวแถวก็ได้เราจะไม่เป็นพระเทระสักเทีอูพอถึงเราจะชั้นมันเลยให้ลูกน้องสบายกันนี้นะนเห็นเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นวดมาใหม่ๆมองดูท่านอาจารย์โอ้ยนานชันเตืนอน้อ มองเลยนะมองท่านยิ่งไปฉันเลยท่านทรมานเราไงยังพูดประโยคเด่นกับว่าโอ้ยเรามันจะตายแล้วแล้วนี่เว้ย <c oughs> บางทีนีึกว่าถ้าจะสึกก็สึกเพราะอันนี้แล้วพร้อ <c> ง <oughs> อยู่ไมได้อไม่ได้เพราะอนี่แหละยาเว้ยมันกินทันใจดีกว่ะไปอยู่บ้านเราดีกว่าอยู่ที่ไหนก็ดีกว่านี่ได้ทุกข์ก็มาขี้เด่นมันคลับแคบบางทีก็ได้ ช่างหัวมาเทิดชันก็ม่ชัน้นกว่ชั้นเมื่อก่อนแ้เลยตอบไปเลยนะเนี่ยวันนั้นกับคิดว่าได้เออเรายังเกินไปแต่ว่านี่นะครูบาอาจารย์ท่านเป็นนบุตรท่านยมิันนั้นเรตอบไปแต่แรกไอายายหน่อยไปหยุดมาอีกโอ้ยมันยากเหลือเกิน น, นั่นงท่านี้มันก็ยังไม่เห็นนะท่านทางค่างคมรอมอย่าทำ ท, ทแก้มให้กระตุออกมากหนว่า ทห า, าราเดือนหยุดกรมตอนเย็นๆมาน่ะก็พอเห็นคำข้าวกลมกองเลยละเมื่ออาหารรองฉบาดเนี่ยโอ๊ยน้าลายมันไหลเหมือนหมาบ้านนเลยมองหน้ามองหลังมองหน้ามองเองามือขย้เข้าสูกเลยไม่รูมันกลมมันกองยัดก็ไปเลยยัด เ, ดดเอออันนี้ผมรักผมหลักแต่เราคอยคอยคอยไ อ, ยอยดูมันอยู่คอยดูมันไปดูมันไปดูมันไปดูไปจึงเห็นว่ามันเป็นจิง แต่ก่อนนึกว่ามันเป็นพระเจ้าเอ้ยกราบแต่มันอยู่เรื่อยๆกราบความโลภความโกรธความโกรธขึ้นมาก็ไม่อดเหมือนกันไม่อดมันมันโกรธเนี่ยทาผิดใจโกรธไม่อดทําตามความโกดของเรานั่นแหละนึกว่ามันไหว้ไหว้มันซะฟังมันนึกว่ามันเป็นพระเจ้าเมื่อไปนานๆดูไปแล้วนานๆใจเย็นๆเออเออเห็นว่ามันไม่ขัดขวามันเป็นโทษเหมือนกันเนี่ย เห็นแมดเดียวธรรมานะ่ะแล้วต่พอมาอีกมันวุ่นตนะเตือนนะประกันทั้งหลายเลยนะอยากจะไปเข้าใจว่ามันง่ายๆนะมันมีเหตุมีผลนะอ่มันมีเหตุมีผ ล, นะผลบางคนไปเข้าใจสูงเกินไปนึกว่ามาเอาการง่ายๆเนี่ยเอาง่ายๆนะเออสาคัญนะเออมันสําคัญนะ<ม>การประพฤติปฏิบัติดีมันสําคัญ จำอยู่เป็นนานๆเห็นไม่เหครูวายจารท์ตุ่นเก่าๆท่านเนียท่านเฉยไม่ดูแต่เฉยเลยท่านไมรู้คือใจท่านมันเย็นเนี่ยมันรู้จักไอ้ความทุกขมาเสนอท่านแบบเลยความสุขมาเสนอท่านเลยเด็กน้อยอย่ามาข่วนไอ้ความดีใจมาเสนอท่านเด็กน้อยอย่ามาข่วนไอ้ความไม่สบายใจมาเสนอท่านอย่ามาขวน ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ชี้เดชงนั้นมันลิ้นอยู่รอบๆรอบๆรอบๆรอบๆรอบๆนั่นเรากะเพอนกันแหม่ท่านทำไมท่านทําได้เงินน้อใจเราบดขยึกขยึกขยึกขยึเนี่ยอย่างนั้นท่านท่านจ่งให้อยู่กับครูอาจารย์ให้ดูครูอาจารย์เป็นเป็นพยานนาคฐานโดยโดยดูพิจารณาไปนานๆนานๆนานๆนานๆ แตัวอย่างท่านทศรษฐกิจโตเห็นฝนตกเห็นท่านวิ่งไหมผมม่เคยเห็นท่านวิ่งเศรษฐกิจโตฝนตกตกแรงขนาดไี้กนอย่างเชยนะผมก็ยังวิ่งไลยเป็นบางครั้งทศรษฐกิจโตไม่เคยวิ่งเลยเปียกนึงเปียกไปเชยแดดออกมาร้อนขนาดไหนนี่พระเนรร้อนวิ่งเขรุขระเฉยสาคัญเหมือนกันอะไรมันพาเฉยอยู่นั่นน่ะท่านไม่ร้อนเต็มทีเหมือนกันท่านจะรู้จิตใจของท่าน ท่านไมหนาวหรือท่านก็หนาวานเหมือนกันท่านรู้จิตใจของท่านเห็นไหมบางทีจัดของในบานสัน่นเฉยบางทีเพื่อนฉันไปจนครึ่งีบฉันเชฉยมองดูไม่ยินโอ้ยมันน่าอุดดานเดือดเกินดนาะอยู่อย่างนี้จิดเดชก็อยู่กับท่านไม่ได้แล้วน า, นานไปหนีท่เวเรื่องละบางทีเอามันมันหิวนะ่ะแต่เอาใส่สักคํานึ่ง็ไปซนะจะชา อีกสักห้านานะทีก็แม่อีกสักขังดูมันไปยังไงโอ้เนี่ยท่านจีเดียร์ในเดือดร้อนท่านจีเดียร์ในอยู่ยากนันก็เหมือนกันกับสุนัขนั่นแหละเราอืสุนักหรือแมวมัน อ, อยู่กับเรากเมื่อไรนะัะมีแต่ด้าทั้งนั้นะข้าวก็มาให้กินวันนี้ก็มาได้กินพรุ่งนี้ก็ม่ได้กินเนี่ย ไ, ไปทั้งๆเอากระบองไปเล่เน่ะนะไอแมวตัวนั้นมาอยู่กับเรากี่วัน มันไม่สบายใจมาเนี่ยแมวตัวนั้นมันก็หนีเนี่ยไปหาคนอื่นเี่ให้ข้าวมันกินสบายสบายไม่เอาแช่เคียนมันก็อยู่ตรงนั้นกิเลสตีเหมือนกันนัเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักมันมันอุ่นไปอยู่กับคนนั้นแหละสบายอใจริ้นโดนเพื่ออะไรฮะเอาตามใจก็มันตามใจกิเลสมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามันไม่ทรมานกิเลสนะอันนี้มันคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วษณ่าปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้น คือทําดูมันมันจะเป็นยังไงไหมรู้เรื่องอันนี้ยังไม่เห็นมันหรอกมันใช่อไรพับมันใช่อะไรพัดพั บ, พบตามความต้องการตามความปรารถนาคนเกเรเนี่ยออมันก็ได้คนใช่ดีเือเกินแม่บอกวิ่งก็วิ่งบอกนั่งก็นัง่งบอกนอนก็นอนบอกทาําแล้วก็ทําตามเรื่องของมันก็เป็นทาตมันแน่ๆเองน ย, นยไม่ใช่อื่นไกลหรอกถ้าเรามองเห็นไหมจะเป็นตัวอย่างเห็นชัด มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าพูดตามภาษาของเราเนี่ยผมก็ปฏิบัติตามภาษาจิตของเจ้าของนี่แหละแต่ว่าพูดจะไปถูกกัปบประที์อยู่มันมีมมเดือหละอยู่ตรงนั่นแหละออมันเป็นแตอย่างนั้นเอาละ ว, วันที่พูดหลายแใจนะอืมแล้วก็ไอ้ขอไอ้แรงทุกๆุกคมดุสิตุมาทหลา ย, นยในวันจิตต่อไปเนี่ย อาจารย์จะจารจะออกพรษาแล้วนะเหตุการณ์ของเราอย่างไยอย่างบางทีในหลวงสเสด็จมาในวัดเราก็ได้นะเมื่อเรายังอยู่นี้อยากจะขอความเพียรสามาธิกันอยากจะให้ทํำซองตลาดในวัดของเราอย่างทําไปตามตามทางซอยไปตามทางท่านี้ศรทธาทางทางคณะใต้ก็พยายามทำทังนี้ช่วยๆกันทํา ทางคณะเหนือนี่กต่ทางคณะจะช่วยกันทํานะอืจะทําอย่างไรก็ได้แล้วแต่จะเอามาัาเราจะแล้จะทําเป็นวันๆเดี๋ย น, นี้มันทํางานหลายกลุ่มน่ะมันจะไม่เสร็จเ อ, อันนี้ควรจะทําทุกปีแล้วก็ใครไป ม, มาแล้วก็ทำช่วยกันทําทําถนนตรงทางทิ่ะอาดเก็บกิ่งไม้อะไรที่มันเกลื่ๆกากๆางนี้รวมกันได้ดีๆเป็นแถวนะ